ใหญ่ร้องให้สัญญาณพร้อมกันเขาก็พุ่งพรวัดดอกจากที่ซ่อนแขนซ้ายตวัดล็อกคอคนหลังสุดเสือกปลายมีดเต็มเหนียวเข้าไปที่บริเวณสีข้างด้านหลังเนื้อเอวขึ้นมาเล็กน้อยอันเป็นจุดตายแล้วกระชากมันวูบพั ง, งะเซออกนอกทางพร้อมกับการเพนเข้าใสของเขาบุญคําก็โจรร่างออกมาฟันโชยวยังแม่นยำเข้าไปที่ก้านคอของเจ้าคนนั้นหัวหลุดห้อยร่องแรงไปในพริบตา และก่อนที่มันจะทันรู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรร่างที่ไม่มีคอนั้นวิ่งตเตลิดออกนอกทางไปสองสามเก้าแล้วก็ลงหัวบลงเลือดพุ่งกระชูดเป็นสายเจ้าคุณกลางหันขวับมาทางด้านหลังพร้อมกับแผดเสียงร้องออกมาอย่างตกใจแล้วมันก็เ ด, ดินเข้าใส่ระพินด้วยดาบที่เงื้อสุดละสองมือหมายจะแหล่งหัวเขาให้แบกออกเป็นสองสี่ เป็นเวลาเดียวกับที่พรานใหญ่กำลังกระชากมีดของเขาออกจากหลังของเหยื่อและหันกลับมาเะเชิญกระคมดาบอันน่าสยองนั้นเข้ามาพอดีชั่วพริบตา